เลื่อกรรมาฐานในรูปแบบนั่งใครนั่งกับพื้นก็นั่งกัศมารถขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายนั่งเก้าอี้ก็ทำได้จะนั่งห้อยขาก็ได้นั่งมงก่อนผู้สึกตัว ทำความรู้สึกตัวก็คือไม่หลงไม่เผลอไม่ลืมรู้ตัวเห็นตัวนี้เห็นกายนี้กำลังหายใจนั่งหายใจอยู่ นั่งตทงความรู้ตัวตามความรู้ตัวเฉยๆไม่ปรุงแต่งอะไรต่อ ตอนทำความ ร, รู้ตัวเฉยๆเนะี่ยพอจิตมันทํางานมันปรุงแต่งมันจะเห็น จิตเคลื่อนไปก็รู้เคลื่อนไปแล้วไม่พอใจความไม่พอใจเป็นความปรุงแต่งเห็นความเคลื่อนและดีใจความดีใจเป็นความปรุงแต่งรู้ทันความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นกับใจ อาศัยกายนี่เป็นที่อยู่เฉยๆเอาไว้เป็นที่ระลึกรู้เป็นที่อยู่เห็นกายนี่หายใจตอนเห็นก็เห็นเฉยๆเห็นกายหายใจด้วยความรู้ตัวไม่บังคับลม เห็นเฉยเฉยจิตทำงานรู้ทันจิตปรุงแต่งรู้ทัน Thank you. ลวจิตไหลไปก็รู้ทันไหลไกับเสียงไหลไปแล้วรู้ตัวแล้วก็กลับกลับมาอยู่ในที่อยู่คือเห็นการน่หายใจต่อ เห็นแล้วชอบใจรู้ทันเห็นแล้วไม่ชอบใจก็รู้ทันความชอบใจไม่ชอบใจเป็นความปรุงแต่ง จิตทำงานรับรู้เรื่องราวต่างๆแล้วชอบใจบ้างไม่ชอบใจบ้างรู้ทันเวทนาจะเกิดขึ้นพร้อมกันเสมอกับที่จิตไปเสเวยอารมณ์เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างบางทีก็เฉย สุขทุกข์และเฉยๆที่เกิดขึ้นเป็นเวทนาบางทีก็าอาศัยเรื่องโลกโลกได้ยินเสียงและชอบใจได้ยินเสียงและเป็นสุขเป็นทุกข์ <c oughs> อันนี้อาศัยเรื่องโลกโลกพอมีสติเห็นความเกิดดับ เห็นมันไม่เที่ยงเห็นมันอยู่นิ่งไม่ได้เห็นไตร ล, ลักษณ์ของมันเห็นไตร ล, ลักษณ์แล้วก็มีสุขหรือบางทีก็มีทุกข์สุขทุกข์ที่จากการเห็นไตร ล, ลักษณ์ก็เป็นเวทนาแต่เป็นเวทนาที่เกิดจากการพิจารณาเรื่องของออกจากโลก เห็นไตรลักษณ์แล้วก็ยังมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างก็ยังอยู่ในความปรุงแต่งรู้ทันความปรุงแต่งที่เกิดขึ้นเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างเห็นไตรลักษณ์และดีใจ เป็นสุขใจก็รู้ทันเห็นไตรลักแล้วเป็นทุกข์ใจเพราะว่ามันไม่ได้ดีกว่านี้อีกก็รู้ทัน เห็นใจรักแล้วก็ทุกใจว่าทำไมไม่ก้าหน้ากว่านี้ทำไมไม่ได้มรรคผลความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเป็นความปรุงแต่งก็รู้ทัน สุขทุกข์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะอาศัยเรื่องของโลกโลกหรือว่ามาดูเห็นสภาวะเกิดดับเห็นไตรลักษณ์แล้วสุขบ้างทุกข์บ้างเกิดสลับกันไป วางใจได้ก็เป็นอุเบกขาเป็นความรู้สึกเฉยๆคราวนี้เห็นไตรลักแบบเฉยๆไม่สุขดีใจไม่ทุกข์ใจกังวลกับมรรคผลข้างหน้าเห็นไตรลักษเฉยๆเป็นอุเบกขาเวทนา ฝึกให้รู้ทันเวทนาต่างๆเป็นสุขเป็นทุกข์แบบโลกโลกเป็นสุขเป็นทุกข์แบบเตรียมจะพ้นโลกรู้จนวางมันได้กลายเป็นอุบเบกขาขึ้นมา เรียกว่ารู้สภาวะเห็นมันเกิดดับด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางพอ mm hmm. สมควรเก็บเวลากับการเจริญกรรมฐานในเช้าวันนี้ ก่อนจะออกจากการนั่งกรรมฐ า, านในรูปแบบทําความรู้ตัวขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจดจ่อที่สองช่องจมูกสูดลมเข้าใจเข้าไปลึกๆรู้สึกตัวขึ้นมาจดจ่อที่สองช่องจมูกสูดลมเข้าลึกๆรู้สึกตัวขึ้นมาเลือกทำความรู้สึกที่มือขวาค่อยๆเคลื่อนมือขวามาคว่ำที่เข่าด้านขวามือเคลื่อนไปไมีใจรู้ ความรสึกที่มือซ้ายค่อยๆเคลื่อนมือซ้าแมืคว่ำที่เข่าด้านซ้ายมือเคลื่อนไปมีใจรู้ยกมือขวามาเตรียมพนมมือที่หน้าอกยกมือซ้ายมาประกบพนมมือเป็นดอกบัวตูมเรื่องถึงบุญกุศลที่เราได้ทําตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขณะนี้บุญใดที่ได้ทําแล้วไม่ว่าจะเป็นการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาการอ้อมบูชา แด่พระรัตนตรยัยเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาบูชาคุณครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิประสานพิชาให้ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมอุทิศให้กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ให้กำเนิดเรามาจนได้มารับรู้พระธรรมคำสอนซึ่งนำไปสู่ความพ้นทุกข์ของพระพุทธองค์อุทิศให้กับหมู่ญาติของเราที่ได้ อุปถัมภ์ค้ำชูให้ความเกื้อกูลแก่กันอุทิตย์ให้กับญาติสนิทมิตสหายทั้งหลายให้กับเพื่อนร่วมสังคมของเราถวารเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวให้พระองค์ทรง มีพระพา ร, รามัยแข็งแรงสมบูรณ์มีประชนมายุยิ่งยืนนานเป็นร่มโพ ร, ร่มใสแก่ประสบนิกรชาวไทยให้ยั่งยืนสืบไปอุทิศใหกับเหล่าเทพ ย, ายดาทั้งหลายที่ปกปักรักษาสถานที่แห่งนี้ปกปักรักษาพวกเราอยู่ก็ดีปกปักรักษาประเทศชาตินี้อยู่ก็ดีให้ท่านทั้งหลายมีกําลัง ในการที่จะปกป้องคนดีให้คงอยู่ให้ท่านมีกําลังในการที่จะปกป้องพระศาสนาให้คงอยู่ในแผ่นดินนี้อุทิศใกับผู้ที่เราได้เคยล่วงเกินเราเคยล่วงเกินท่านด้วยด้วยกายด้วยวาจาหรือแม้ด้วยใจล่วงเกินท่านด้วยความประม า, พาทพลาดพลั้งไปแล้วขอนําบุญนี้ เป็นเครื่องไถ่โทษขอท่านจงมาอนุโมทนาเลิกจองเวรซึ่งกันและกันเลิกปียาบาทซึ่งกันและกันอุทิศใหกับสบรรพสัตว์ทั้งหลายสัตว์ใดมีทุกข์ขอให้พ้นทุกข์สัตว์ใดมีสุขขอให้สุขยิ่ง่งขึ้นไปส่วนเราทั้งหลายในที่นี้ก็จะตั้งใจที่ศึกษาถ้อยคําของพระพุทธองค์ นำมาประพฤติปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์ด้วยการทุกท่านทุกคนตั้งสัธิฐานอย่างนี้แล้วก็ยกมือขึ้นจบที่ศรีรษะตั้งใจแผ่เมตตาพร้อมกันอีกครั้งสัพเพสะตา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 อโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอััพยาปัชชาจจาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอันนี้คาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิด อย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขอัตตานังปริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนีเน้เทิน